เราต้องคอยจับกระแสะใจให้ดีว่ากระแสะใจของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันปล่อยไปแบบไม่ได้บังไม่ได้ควบคุมหรือเปล่าบางครั้งเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธพออยู่ได้สักพักนนหนึ่งมันก็แอบหนีไปแอบหนีไปทั้งที่เรากำลังพุโทโธนี่แหละ แอบนี้ไปจนทั้งที่เรากำลังเห็นลมเข้าลมออกนี่แหละทีนี้เราจะให้ไม่ให้มันแอบหนีไปก็ต้องตั้งใจในการงานของเราตั้งใจที่จะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธ ท, ที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยตั้งใจทุกๆประโยคของพุทโธ เหมือนอะไรเหมือนกับท่านเปรียบสติใช่ไหมเหมือนต้องมีสติเหมือนกับแม่เนื้อถ้ามีสติเหมือนกับแม่เนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้ในเนื้เชื่องเชื่อซึ่งเชื่องนะมันก็จะคอยระแวดระวังตืง่นตัวอยู่ตลอดเวลาสติเรามันตื่นอยู่ตลอดไหมแต่ถ้าสติของเรามันไม่ตื่นอยู่ตลอดแน่นอนแหละโมหะมันก็ ครอบล้วไปครอบไปแล้วเอาใจเราไปกินแล้วพโมหามันครอบไปแล้วมันก็มันก็จะหลบเข้าพาวังสบายๆนิน่เนียนไปเพราะฉะนั้นท่านถึงเปรียบให้เหมือนกับแม่เนื้อเนี่ยที่เวลาออกหากินในป่าเนี่ยมันต้องตื่นอยู่ตลอดตื่นตัวตลอดเพราะว่ามันมีสัตว์ที่จะคอยล่ามันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเสือไม่ว่าจะเป็นหมาป่าเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นสัตว์ผู้ถูกล่าเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องคอยระแวกระวังภัยอยู่ตลอดมนุษย์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จัดอยู่ในชั้นผู้ถูกล่าเหมือนอย่างกับแม่เนื้อพวก ก, กวางเนื้อซายอะไรอย่างนี้นะ จริงๆถ้าเราอยู่ในชนชั้นเนี่ยเราสมัยก่อนมันเป็นสิงโตใช่ไหมที่เขาจัดอยู่ในส่วนบนสุดของห่วงโซ่แต่ตอนนี้กลับกันละกลายเป็นมนุษย์เนี่ยขึ้นไปอยู่บนจุดสุดยอดของห่วงโซ่เป็นผู้ล่ามนุษย์อยู่ตรงไหนตรงนั้นเนี่ยเลี้ยนหมดเฮี้ยนหมดสัตว์ไม่เหลืออะไร โดนจับกินหมดนกหนูค้างคาวอีเห็นโอ้ยมันโดนกินหมดแมนุษย์อยู่ตรงไหนกินหมดอันนี้ก็คือในภายนอกนะภายนอกมนุษย์เป็นผู้ล่าเป็นผู้ลาสัตว์ต่างๆเนะี่ยบังคับบัญชา กินฆ่าสัตว์เหล่านั้นทั้งเพื่อเอามาเป็นอาหารก็ดีเอามาเป็นล่าเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก็มีมันก็แสดงพฤติกรรมเนี่ยไอ้อย่างหลังเนี่ยแสดงพฤติกรรมความโหดร้ายของจิตใจใช่ไหมไม่ใช่ล่าเพื่ออาหารแล้วล่าเพื่อดำรงชีวิตมันก็ยังพอถูกๆไทไถไปแต่แน่นอนแหะว่าพระรูปเจ้าก็ไม่ได้สรรเสริญการฆ่าแบบนี้ แต่มันก็ต้องอยู่ต้องกินใช่ไหมเพราะนั้นคนเรามันก็ต้อ ง, งอย่างนี้แหละฆ่าสาัตว์เพื่อมาเป็นอาหารมันก็แสดงถึงภาวะจำยอมของความจำเป็นระดับหนึ่งแต่ถ้าการฆ่าเพื่อความสนุกสนานบันเทิงมีความยินดีในการฆ่า ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันแสดงถึงคุณภาพจิตใจที่มันมันแย่ลงไปอีกต่ำต้อยลงไปอีกมันแสดงถึงใจที่หยาบช้าถ้าเปรียบเป็นที่มาเนี่ยก็คือเป็นพวกที่มันมืดมานะมืดมามืดมาหมายความว่ามาจากภูมิต่ำนั่นแหละมาจากภูมิพวกนรก สัตย์ไรยฉานเหล่านี้คือไม่เคยหัดที่จะเจริญเมตตาไม่หัดที่จะมีธรรมะคือไม่มีธรรมะเป็นทุนเอาไว้เลยมันก็เลยง่ายต่อการที่จะทำบาปอากุศลมนุษย์มันก็คร่าวๆมันก็แบบนี้ใช่ไหม แต่ถึงแม้ว่ามนุษย์มันจะเจ๋งสุดเก่งสุดในบรรดาหมู่ส่ที่ว่าเป็นอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่แม้ว่าจะล่าเพื่อกินล่าเพื่อความบันเทิงก็ตามมนุษย์เองก็ถ้าอยู่เปรียบในวัฏฏานี้ก็ยังไม่ใช่จุดสูงสุด จุดสูงสุดคือกิเลสไงมันล่าเราเหมือนกันเราก็พยายามจะหนีใช่ไหมหนีออกจากวัฏฏะเนี่ยมันก็ล่าเราเหมือนกันล่าแล้วก็ไม่ได้ฆ่าด้วยนะล่าเพื่อมาเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ขังเอาไว้อยู่ในวัฏฏะนี้ถ้าล่าแล้วฆ่าฆ่าแล้วตายตายแล้วสูนเนี่ยมันก็ยังสบายกว่าใช่ไหมจบไปเลย แต่อนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงใจของเรา coastal. เนี่ยมันก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายไป helpful. พูดง่ายๆข่าไม่ตายพอข่าไม่ตายมันทํำยังไงเพรามันขังสิพ่าข้าตายได้เนี่ยมันก็จบเกมมันง่ายไปแต่พอมันข่าไม่ตายแล้วเนี่ยมันยิ่งสะใจเข้าไปใหญ่คือมันขังเราไว้ให้เราต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏฏะอันนี้การที่เราต้องมาเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏฏะอันนี้ สิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องมาวนสารวนอยู่กับสุขและก็ทุกข์วนเปกันไปแต่แน่นอนแหละมันไม่มีความสุขความทุกข์ที่เราจะควบคุมมันได้ 100% ซแต่โดยธรรมชาติของเราแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะมีแต่ความสุขแล้วก็เกลียดความทุกข์พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันห้ามไม่ได้หรอ อยู่ในวัตฏะอนนี้จะห้ามไม่ให้ตัวเองไม่ทุกข์เนี่ยมันลำบากมันยากเพราะฉะนั้นเราก็มีอยู่สองทางเลือกนี่แหละก็คือจะยอมจำนวนให้เขาขังอยู่แล้วก็มาวนเกิดแก่เจ็บตายมารับทุกข์ทุกประจําทุกจรต่อไปเรื่อยๆหรือจะเลือกอีกช้อยหนึ่งก็คือพยายามที่จะหนีออกจากวัตะอันนี้ แต่แน่นอนนะคนที่ต้องการจะหนีคนที่พยายามจะเกี้ยกลกายหนีมันก็จะต้องล่าเราหนักขึ้นไปอีกล่าคนเหล่านั้นหนักขึ้นไปอีกหนักกว่าคนที่มันไม่คิดจะหนีเหมือนกับพระโคติกะนะพระโคติกะนี่ก็ปฏิบัติธรรมใช่ไหมปฏิบัติธรรมชานเสื่อมตั้งหกขนลนะ แล้วก็เอาไงปาดคอตัวเองเลยด้วยความเสียใจชันเสื่อมเนปาดคอตัวเองเลยแต่ก็ยังดีที่ว่าหลังจากที่ปาดคอตัวเองไปแล้วเลือดไหลซื้อซือซอซอซอพุ่งกระจายออกมาพอดีพอดีได้พิจารณาจนปล่อยวางได้ได้ตัดตัดกิเลส วางละอวิชาลงจากใจได้พอเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปเกิดไห น, นใช่ไหม ม, มันก็มาตามหาเอา้าเมื่อกี้นี่ได้แล้วได้อีกหนึ่งลายแล้วกาลังปาดคอตัวเองเลยนั่นใจเศร้าหมองแล้วชานเสื่อมต้องหกหนะ่ะ ดีแล้วเราจะได้คว้าไว้ไม่ให้ไปไหนแต่พอดีว่าหลุดรอดมาได้เนะี่ยพอหลุดรอดมาได้ก็งงสิเมื่อกี้กําลังจะจับได้อยู่หมับๆแล้วหายไปแล้วก็เลยต้องไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเอา้าวิ ญ, ญญาณพระโคติกาไปไหนเนี่ยเมื่อกี้จะจับอยู่ได้อยู่แล้วจะล็อกตัวไว้ได้อยู่แล้ว พระพุชาก็บอกว่าจะไปหาได้จากไหนเขาบรรลุธรรมแล้วปล่อยวางอาวิชชาแล้วทำลายเชื้อของการเกิดไปหมดแล้วหาไม่เจอหรอกก็จึงเป็นคนที่หนีสำเร็จหนีมือมานสำเร็จหนีกิเลสสำเร็จ มันมันจัดหนักแหละใครที่อยากจะหนีออกจากวัดตะอันนี้มันเล่นหนักแหละพยายามจะต้องขัดขวางทุกวิถีทางต้องขังอะถ้าเปรียบเทียบเป็นวัวเนี่ยถ้ามันอยู่ในคอกเนี่ยตัวไหนที่มันอยู่ใกล้ๆปากคอกพร้อมจะออกเนี่ยมันจะเล่นงานตัวนั้นก่อนเลย ต, ตัวไหนไม่พร้อมตัวไหนอยู่ใกลๆคอบไม่มีทีท่าว่าจะเดินมาใกล้ๆ ก, ก็พักไปไปเล่นงานตัวใกล้ๆปากคอบก่อนฉันใดฉันนั้นเราก็เป็นผู้ที่พยายามมุ่งหน้าไปสู่ความพ้นทุกพยายามมุ่งหน้าไปสู่ที่สุดแห่งทุกทำที่สุดแห่งทุก มันมันก็จะต้องคอยขัดขวางเราเหมือนกันมันก็ขัดขวางได้หลายๆรูปแบบนั่นแหละไม่ว่าจะเอาความสุขความเพลิดเพลินยินดีในกามมาหลอกมาลอ่อมาผูกเราไว้เหมือนอย่างคนที่มีครอบครัว ใช่มั้ย».อยู่กันมาก็ตั้งนมตั้งนานมีความผูกพันแต่ถ้าเราไม่เคยที่จะหัดพิจารณาไม่เคยได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยความรู้ความเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะต้องเห็นว่าความรักไม่ใช่ความรักใคร่ในกามนะหมายถึงความรักที่เรา ความรักความผูกพันความรักความเมตตาที่เรามีต่อกันไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาลูกหลานที่เรามีความรักความผูกพันมอบให้เนี่ยเขาก็จะเชิดชู ว, ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีนะเป็นสมมุติฝ่ายดีเป็นสมมุติฝ่ายที่บริสุทธิ์ถ้าใครมีความรักแบบนี้เนี่ยก็จะได้รับการยกย่องว่าว่าดีอ่ะ เป็นคนดีเป็นคนที่มีความเห็นที่มันถูกต้องตามวงสังคมก็ต้องบอกว่ามันก็เห็นถูกต้องตามกิเลสนะเพราะกิเลสเนี่ยมันก็ต้องอยากจะให้เรามีเครื่องอะไรที่ผูกเราเอาไว้อยู่ในวัตานี้เพราะฉะนั้นถึงมันจะมองดูดีในแง่ที่ว่าไม่ได้ทาร้ายใคร มีความที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็เป็นจัดอยู่ในชั้นของโลกียะนะใช่โลกียะก็คือยังทำให้เราเนี่ยยังผูกติดอยู่ในโลกใบนี้อยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นะแต่เราก็ใช้ไปแต่เราไม่ติดมันอันนี้เป็นหน้าที่ คัรที่เราจะไม่ติดก็คือเราก็หมั่นที่จะพิจารณาความเป็นจริงให้ได้บ่อยๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นญาติเราเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกหลานเป็นเพื่อนฝูงที่เราสนิทมีความรักขนาดไหนมีความสนิทชิดเชื้อที่เราจะถ้าเปลี่ยบไปก็เหมือนกับ จะเกิดอีกกี่ชาติก็ขอให้ได้เกิดมาเจอกันจะอยู่กันไปตลอดมีความรักความผูกพันกันแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็กำหนดอะไรไม่ได้หรอกแล้วอย่างหนึ่งก็คือตายไปแล้วมันก็ต่างคนต่างไปไปตามกรรมไปตามอำนาจของกรรมใครมีบุญก็ได้ไปสุคติใช่ไ ใครทำบาปไม่มากก็ไปทุกขติแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้มันละเอียดละออลึกซึ้งไปในขณะที่ยังไม่ได้ตายจากกันไปเนี่ยใจของเรามันก็โดนความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยปิดบังเอาไว้ให้เราเห็นว่าคนรักของเราก็คือคนเนี่ยใช่ไหม เป็นคนดีเป็นคนที่รูปงามอะไรอย่างนี้เป็นตน้นปิดบังเอาไว้ไม่เห็นความจริงไม่เห็นความจริงว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาใจของเราเนี่ยถ้าโดนมันปิดบังเอาไว้แล้วเนี่ยมันมันเห็นเป็นจริงเป็นจังหมดแหละ เห็นเป็นจริงเป็นจังตามอำนาจของความไม่รู้นัน่นแหละมีสาระตามความไม่รู้ที่มันบงการเอาไว้มันอย่างพวกเศรษฐีกุรมปีต่างๆเนี่ยพยายามหาทรัพย์สินหาไปเรื่อยสุดท้ายความเป็นจริงคือตายไปแล้วมันก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันกนะ แต่พอบางคนที่ความไม่รู้มันปกปิดอยู่มากๆเนี่ยมันก็เอาสาระว่าเราจะต้องหายมันได้มากๆทั้งหามาได้ในทางดีและทางไม่ดีอย่างคนที่พอมีคุณธรรมดีหน่อยก็หาแต่ในทางดีแต่ถ้าไม่ได้พิจารณาเลยเนี่ยมันก็เห็นแ่ะว่ามันเป็นแก่นสารเป็นสาระสำคัญ ในปัจจุบันของเราตอนนี้มันก็จะไม่ได้เห็นแหละ ว, ว่ามันเป็นสาระเป็นเกลียนสารสำคัญณะตอนนี้จริงแต่มันไม่ใช่สาระเก่ยนสารสำคัญตลอดไปมันไม่ได้อยู่ยั่งยืนมันไม่ได้ไปกับเราในในขณะที่เราตายไปแล้วไปกับเราไม่ได้ เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ให้เนี่ยในสมัยนี้ได้ยินได้ฟังก็อาจจะรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าสังคมในสมัยนั้นเขามีค่านิยมอย่างไงแน่นอนแหละว่าไอ้ค่านิยมที่จะหลีกออกจากกรามเนี่ยมันก็ คงยังไม่ไ ม, มีนะคงยังน้อยมากตีไปแทบไม่มีดีกว่าเพราะฉะนั้นความอัศจรจรย์ของการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็คือมีคำสอนที่ทำให้คนเนี่ยเห็นดีเห็นงามในการที่จะหลีกออกจากกามเห็นดีเห็นงามที่จะมาประพฤติพรหมจรรย์ และที่สำคัญที่สุดก็คือมาบอกเล่าความจริงมาทําลายความไม่รู้ความไม่รู้ที่มันมาจากอํานาจของกิเลส ท, ที่มันจะคอยขังเราไว้เพราะฉะนั้นพระพุทเจ้าก็จึงเป็นผู้ที่เป็นผู้นำอะเป็นผู้นําของหมู่สัตว์ที่จะเป็นแม่ทัพอะที่จะเอาไว้ไปคอยสู้กับกิเลส ที่จะนำพากองทัพแห่งธรรมอันนี้พาไปให้หลุดเงื้อมือของกิเลสเพราะฉะนั้นกองทัพอันนี้ยังมีอยู่กองทัพอันนี้ก็ยังสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสยังสามารถที่จะต่อสู้กับมารยังต่อสู้กับความไม่รู้ ที่มันจะขังเราเอาไว้ยังมีอาวุธยังมีสเสบียงยังมีกำลังเพียงพอที่จะไปได้จะสู้ได้ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันบริณีพานไปแล้วแต่ท่านก็ยังได้สร้างสร้างคนก็คือสาวกเนี่ยสร้างสาวกเอาไว้ให้เป็นผู้นำ ในรุ่นต่อไปต่อไปต่อไปไม่ใช่ว่าตอนนี้เราขาดผู้นำนะก็ไม่ไม่ใช่และผู้นำสูงสุดของของกองทัพอันนี้ก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรามีกาลังใจนี่แหละว่าเราอยู่ในยุคที่ดีที่มีคำสอนคำสอนก็ยังครบถ้วนอยู่คำสอนที่จะพาให้เราแหวก แวกความไม่รู้ออกมาหาความรู้แล้วก็นำความรู้เนี่ยมาชาระความไม่รู้ให้มันหมดจดไปได้เราก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นไทยจากวัตฏะอันนี้เราก็จะเป็นผู้ถูกล่าที่หนีหนีพ้นการล่าอันนี้ไปได้ แต่การที่จะหนีพ้นการล่าเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรบ้างล่ะแ น, น่นอนคือสติก่อนเลยสติที่จะคอยระแวดระวังว่าผู้ล่ามาหรือยังต้องเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอตื่นตัวอยู่ตลอดตื่นตัวที่จะคอยระมัดระวังว่าภัยอันตรายมันจะมาทางไหน อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญลำดับรแรกเลยเพราะฉะนั้นสติกันบางสติก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นฝึกฝนนะหมั่นฝึกฝนให้มันดีพอมีสัมมาสติที่มันดีมีกำลังแล้วเนี่ยมันก็ต้องพยายามพยายามทำสมาธิให้มันมันดีอะ่ะบพื้นฐานเงื่อนไขของการที่เราจะพัฒนาให้กับสัมมาสติ มันดีสมาธิมันดีเนี่ยมันก็คือเราก็ต้องมีความเพียรนะที่จะทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆหมั่นสู้บ่อยๆหมั่นที่จะมีความลึกรู้ให้ได้บ่อยๆธรรมะทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันก็เจริญงอกงาม มามาจากพื้นพื้นคืออะไรพื้นคือสติจเจริญงอกงามจากสติเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดซึ่งสัมมาสติเราก็จะเจริญธรรมะต่างๆได้ไม่ค่อยดีหรือจเจริญไม่ได้เลยมันก็จะทำให้เหมือนแม่เนื้อ ตัวที่ไม่ระมัดระวังตัวมันก็ง่ายที่จะถูกล่าใช่ไหมแต่ความไม่ระมัดระวังตัวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างนะเหมือนอย่างที่ในในพระสูตรเนี่ยก็มีเปรียบเทียบไว้ตั้งหลายอย่างอย่างเช่นเอาอาหารมาล่อใช่ไหมในพลาเนี่ยเอาอาหารมาล่อแม่เนื้อ พ อ, อแม่เนื้อเริ่มเริ่มที่จะติดแล้วก็แล้วก็วางให้มันใกล้กับดักมากขึ้นเรื่อยแม่เนื้อก็ต้องเดินเข้ามาใกล้เรื่อยแหละใกล้เรื่อยใกล้เรื่อยพอมันใกล้ได้ในระยะของนายพรานเนี่ยก็เสร็จละโดนจับละถ้าเปรียบอันนี้เหมือนกับอะไรมันก็เหมือนกับการที่กิเลสเนี่ยมันเอากามมาล่อเราไง ล่อผูกมันมีรสหวานมันมีรสกลมกล่อมความสุขที่ได้จากกา ม, มันก็มีแต่มันก็มีพิษมีไปใช่ไหมพอเราเผลอเพลินยินดีความสุขในกามทั้งหลายเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อว่าเราได้เดินบนทางที่มันเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเป็นส่วนสุดข้างที่ไม่สามารถที่จะไป ทำที่สุดแห่งกองทุกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยมันก็จะโดนฉุดลากให้มันมาอยู่บนทางอันนี้แหละไอ้ทางที่เรียกกันว่าการมัศุ ข, ขัลิกาโนโยกเนี่ยคือการประกอบตนให้มัวเมาความเพลินความสุขในกาลทั้งหลายมีกาเป็นห่วงโซ่ที่มันคอย ยึดเราล็อกเราไม่ให้สามารถที่จะหลุดออกจากวัฏฏะนี้ไปได้มันก็มีหลายๆอย่างเนี่ยแต่แน่นอนบนพื้นฐานก็คือมันก็ต้องทําให้เราไม่สามารถที่จะเห็นความจริงซะก่อนมีโมหังที่คอยปิดบังความรู้เอาไว้ทําให้ความไม่รู้ตามความเป็นจริง มันทำงานเต็มที่ให้เราเห็นของไม่มีสาระเป็นของมีสาระให้เราเห็นของที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารักใคร่ยินดีหรือแม้แต่กระทั่งให้มันละเอียดขึ้นไปอีกอย่างเช่นความรักความผูกพันอันนี้มันก็ดูเป็นฝ่ายดีนั่นแหละมันก็จะเป็น เก่งๆที่จะเป็นไปในทางทำทำฝ่ายดีแล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่เป็นตัวที่จะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นออกจากวัตนี้ไปได้เพราะมีความรักความผูกพันในเพื่อนในพ่อแม่พี่น้องคนรักลูกเหล่านี้เพราะเราเห็นว่า เป็นไปตามสมมุติแบบนี้เนี่ยมันก็มันปล่อยไม่ได้แหละเพราะว่าความรักมันก็ยึดเอาไว้เป็นห่วงผูกเอาไว้ใช่ไหมแล้วเราจะแก้กันยังไงพระพุทเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้แหละว่าคนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยเป็นญาติกันมันไม่มีหรือในวัตะานี้ มันก็เวียนตายเวียนเกิดเดี๋ยวมันก็เป็นพ่อแม่กันบ้างละเป็นลูกกันบ้างละเป็นผัวเป็นเมียกันบ้างละเป็นเพื่อนกันบ้างละคนที่มันไม่เคยเป็นญาติกันมาก่อนไม่มีละในในวัตตะวันอนี้พอเราเห็นได้อย่างนี้เนี่ยมันก็ได้คลายความความที่มันเหนียวแน่นกับจิตใจของเราได้บ้างก็อย่างสักนี้ก็อย่างดี แล้วสิ่งสาระสำคัญก็คืออะไรเราไม่อยากจะทุกข์ใช่ไหยล่ะถ้าเราไม่อยากทุกข์เนี่ยหนึ่งในทุกที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็คือความพลัดพรากใช่ไหยความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งซึ่งถ้าเรามีความผูกพันมันต้องนาความพลัดพรากมาให้แน่นอน เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช่ว่าเราก็ปฏิเสธแล้วเราไม่ต้องรักใครเราไม่ต้องผูกพันเราไม่ต้องมีความรู้สึกดีๆให้ใครนะมันอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้มันก็สุดโต่งเกินไปกิเลสมันก็พาเราไปอย่างนั้นได้เหมือนกันคนมีธรรมะเนี่ยใจมันต้องไม่กระด้างแบบนั้นแต่เราก็รู้จักที่จะใช้มันเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีเหมือนกันไงเราก็ใช้แต่ใช้ให้มันพอดีมันจึง มันจึงดีงามสำหรับตัวเราแล้วก็ตัวคนอรอบข้างเราแต่ถ้าเราใช้ไม่พอดีเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นทุกข์โทษที่มันจะมาตกทับถมจู่จิตใจของเรานี่แหละถ้าเราใช้มันไม่พอดีนะเห็นถ้าเราคอยหมั่นที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีศาสต์ไม่มีบุคคลตัวเราเขา เที่งแท้แหละสุดท้ายมันก็มีอะไระคนเรามันก็ถ้าเราเปิดหนังออกมามันก็มีตับไตใสพุงกระดูกเอ็นเนื้อโอ้ยเยอะแยะเลือดม้ามตับปอดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำโอ้ยเยอะแยะไปหมดแหละถ้าเราเอาของคนอื่นมาเปิดมาแล้วก็มาเทกองรวมกันเนี่ยมันก็เหมือนกันแหะแยกไม่ออก มันก็จะระบุไม่ได้หรอกว่าอ้อยอันนี้นะลำไส้ของแม่เราเรารักอันนี้มากกว่าอันนี้ลำกองลาไส้ของคนที่เราไม่รู้จักถ้าลองเข้ามาสลับกันเนี่ยแล้วเราเห็นแต่ลำไส้เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเราก็เฉยๆนี่แหละเร า, าอูย้ยมัน ไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีพอใจน่ารักใคร่ละท่าละพอเราเห็นว่ามันเป็นท่าสี่เนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ได้คลายสมมุติลงไปบ้างใจเรามันก็ได้ผ่อนคลายจากสมมตุติความผูกรัดของสมมุติลงบ้างได้เบาบ้างแหละซึ่งคนมีทัมมะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธสมมตินะ หมายถึงว่าไม่ได้มีอะไรก็สวนทางสมมุติไปหมดไม่ใช้สมมุติเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกเรามีสมมุติครอบเราเนี่ยตั้งหลายๆอย่างเราอยู่ที่ทํางานเราก็มีสมมุติเป็นลูกน้องหรือเรามีลูกน้องแล้วก็เป็นหัวหน้าเราก็ทํางานให้ดี เรากลับบ้านมาเรามีสมมุติเป็นลูกของพ่อแม่เรามีสมมุติเป็นพ่อแม่ของลูกเป็นพี่เป็นน้องเราก็ใช้สมมุติของเราในฐานะนั้นๆให้มันดีให้มันสมแก่ฐานะสมกับสมมุติอันนั้นๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ง่ายอยู่สบายแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ย คนมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลทิ้งแท้หรอโอ้ยเราทําอะไรก็ได้มันก็ไม่ใช่เราก็จะอยู่ยากไปเองความคิดอย่างเนี้ยมันก็ไม่ทําให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นใจที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลแต่กลับกลายเป็นใจที่มันกระด้างบาปอากุศลที่เราจะทําได้ยากมันก็ทําได้ง่ายเพราะว่าใจเรากระด้าง เอาสมมติเอาความเป็นจริงทั้งสองอย่างเนี่ยมาใช้มันผิดเพีเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ปฏิเสธสมมุตินะแต่เขารู้ความจริงเพื่อที่จะเอามาคานสมมุติที่มันมากเกินไปมากเกินที่มันจะทำให้เราทุกข์มันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับเรา ลวงมือลงไปในหม้อใช่ไหมที่เราก็ไม่รู้อะข้างในมีอะไรเราคว้าได้ตัวอะไรสักตัวหนึ่งเราจับขึ้นมาเราเห็นเป็นงูพิษเนี่ยเราก็รีบปล่อยไงฉันได้ฉันนั้นเนี่ยเราก็ใช้สมมุติเหมือนกันแต่ถ้าเราใช้แล้วมันเรารู้เนี่ยว่าถ้าใช้ลักษณะไหนแล้วมันจะทําให้มีประโยชน์ใช้ลักษณะไหนแล้วมันทําให้เกิดโทษใช้เท่าไหร่แล้วมันมีโทษเราก็ใช้ให้มันพอดี เพราะฉะนั้นคนมีธรรมะจึงเป็นคนที่รู้จักพอดีนะใช้อย่างพอดีแต่ทั้งหมดทั้งมวล ท, ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือจบอยู่ตรงที่เราก็ต้องรู้จักที่จะขยันฝึกขยันซ้อมทำบ่อยๆแต่ถ้าเราจะเอาแค่เอาณตอนนี้ให้ได้แล้วเวลาที่เหลือ เด้งกลับไปอยู่แบบเดิมแบบเก่าอันนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นควรปฏิบัติธรรมมือก็ต้องทําให้มันสม่ำเสมอทำให้มันพอดีทำให้มันกลมกล่อมไปกับชีวิตของเราเราก็ต้องมีธรรมะที่มันแทรกอยู่ในชีวิตของเราให้มันกลมกล่อมพอดีชีวิตเราจะได้มีความสุขมากขึ้น มีความทุกข์ที่มันลดทอนลงไปแล้วท้ายสุดสุดท้ายก็เป็นความทุกข์ที่มันหมดไปเราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเราได้หนีออกจากวัตตะอันนี้ได้เราไม่เป็นผู้ที่ถูกล่าอีกต่อไป